โลกของวิญญาณเมื่อมีโอกาสพ่อจะเล่าให้ผมฟังถึงโลกของวิญญาณที่ผมไม่เคยได้ยินว่าทุกคนทุกแห่งมีวิญญาณเต็มไปหมดเลยแต่ว่าคนทั่วไปไม่เห็นโลกของเขาและโลกของเราอยู่คนละมิติพ่อก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกับเขา นวลจึงไม่เห็นพ่อวิญญาณจะล่องลอยเต็มไปหมดบางคนน่าสงสารเขาไม่มีอะไรกินหิวโหยแม้ว่าหลวงตาจะอุทิศให้สัพพสัตทั้งหลายแล้วก็ตามเขาได้ไม่เต็มที่เพราะไม่ได้ทําเองขณะที่มีชีวิตอยู่หรือไม่มีญาติพี่น้องหรือใครทําให้เขาโดยตรงจึงรับได้ไม่เต็มที่เหมือนกับที่ผมกับแม่ทํากับพระหลวงตาให้พ่อซึ่งถึงพ่อได้เต็มที่เพราะหลวงตาท่านเป็นพระบริสุทธิ์เป็นพระอรหันต ทำกับคนอื่นๆก็ได้เหมือนกันแต่ก็ต้องดูกรรมของผู้รับด้วยว่าหนักเบาแค่ไหนขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์และภพภูมิอื่นเพราะกว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ต้องเกิดเป็นสัตว์อื่นๆมากี่พบกี่ชาติเช่นเดียวกับที่หลวงตาเคยเทศว่าเมตตาสงสารสัตว์ทั้งหลายว่าเราอาจจะเกิดเป็นสัตว์อย่างเขาก็ได้เขาอาจจะเกิดมาเป็นอย่างเราก็ได้เป็นไปอย่างที่หลวงตาบอกเลยครับคุณลุงนุ่นกลัวจริงๆ พ่อบอกว่าผีขี้เมาก็มีพ่อยังเห็นมันเดินโซเซเหมือนคนเมาพ่อเรียกว่าผีขี้เมาพ่อมาเล่าเรื่องต่างๆในเวลาที่มาหาผมจนผมเริ่มชินการไปมาของพ่อกลายเป็นเรื่องธรรมดาของผมไปพ่อจะมาเมื่อไรก็มาเป็นความรู้สึกว่าพ่อกับผมไม่ได้ห่างหายกันไปไหนแปลกไหมครับ วิญญาณพ่อสื่อสารถึงลูกพ่อกับผมติดต่อกันเรื่อยมาแม้บางครั้งพ่อจะมาในรูปแบบที่ต่างกันไปเช่นครั้งหนึ่งนุ่นมีความรู้สึกเหมือนยุงกัดจีดจ๊ดจรบกวนอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ถือศีลอยู่ที่วัดอโศการามและทำงานให้กับป้าป้อม โดยมีหน้าที่เก็บเงินที่คนมาทําบุญพับเป็นดอกไม้สวยๆรับปักไปที่ต้นเงินทั้งคนและเงินเยอะมากจนไม่กล้าไปไหนพระในโบสถ์ท่านเริ่มสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วผมไปสวดมนต์ทำวัดด้วยไม่ได้เพราะรับผิดชอบเรื่องการเงินอยู่อยู่ๆก็เกิดเจ็บจิตจี๊ดขึ้นมาที่ตามตัวตามแขนเหมือนมีใครเอาเข็มมาจิ้มคันมาก็เก่าเดี๋ยวก็มีใครมาจิ้มเราอีกเป็นอย่างเนี้ยตลอดเวลา คิดว่าทำไมยุงมารุมกัดเราคนเดียวขันไปหมดเลยมองไปก็ไม่เห็นมียุงสักตัวผมมองหน้าแม่และหนะหน่อยหนะหน่อยบอกว่ามันไม่ธรรมดาแล้วลองอธิษฐานถึงพ่อดูนะบอกพ่อว่านุนขึ้นไปสวดมนต์ไม่ได้ต้องดูแลการเงินถวายหลวงตาอยู่นี่ผมหันไปทางโบสถ์และยกมือไหว้อธิษฐานถึงพ่อขอผมทำงานก่อนเดี๋ยวเกิดเงินทองหายไปจะทาให้เสียหาย เสร็จงานแล้วผมจะสวดมนต์นั่งสมาธิให้พ่อนะหากพ่อมาทักผมด้วยวิธีนี้ผมทำงานไม่ได้ผมขอก่อนนะพ่อจากนั้นอาการต่างๆของผมก็หายเป็นปลิดทิ้งไม่เจ็บจิตจี๊ดอีกเลยพ่อคงรับทราบพ่อมาทักผมด้วยวิธีนี้ก็มีไม่อยากเชื่อเลยเป็นไปได้ยังไงผมได้มีโอกาสถามพ่อเมื่อผมกลับบ้านพ่อก็บอกว่า ใช่พ่อเองพ่ออยากให้ลูกขึ้นไปสวดมนต์พยายามทำทุกอย่างเพื่อบอกนุ่นจนกระทั่งหนูอธิษฐานบอกพ่อพ่อจึงหยุดน้ำตาพ่อ ผมมีเรื่องอัศจรรย์อีกเรื่องอยากจะเล่าให้ลุงฟังมันเกิดกับผมจริงๆคือวันที่พ่อเสียเราทุกคนไปที่โรงพยาบาลหมดและเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วผมขึ้นไปร้องไห้ในห้องพระของแม่ผมนั่งอยู่หน้ายิ่งพระคิดถึงพ่อว่าพ่อจากผมไปเร็วเหลือเกินผมรักพ่อที่สุดผมร้องไห้ต่อหน้าพระจนน้าตาผมแห้งพ่อทิ้งผมไปให้ผมอยู่คนเดียวผมพร่ำบ่นกับพ่อด้วยความรักที่มีต่อพ่อ ผมมีความรู้สึกว่ามีน้ำหยดลงบนแขนของผมมันเย็นเฉียบเลยผมตกใจสะดุ้งสุดตัวเลยเพราะความเย็นของหยดน้ำหันมองดูแขนของผมไม่ใช่น้ำตาผมแน่นอนผมหยุดร้องไห้แล้วน้ำที่ไหนหยดลงบนแขนผมมองขึ้นไปข้างบนหลังคาก็ไม่รั่วผมรีบลงจากห้องพระมาหาแม่ทันทีด้วยความตกใจผมรู้สึกจริงๆครับ ผมไม่คิดว่าเป็นน้ําตาของผมน้ําตาของผมไม่เย็นอย่างนี้เย็นเหมือนน้าแข็งเลยวันที่พ่อมาหาผมผมถามพ่อว่าวันนั้นพ่อมาหานุ่นหรือเปล่าพ่อตอบว่าใช่พ่อมาหานุ่นพ่อก็ร้องไห้เช่นเดียวกับนุ่นพ่อตามนุ่นมาจากโรงพยาบาลเห็นนุ่นร้องไห้พ่อก็ร้องไห้ด้วยพ่อตกใจว่าทําไมน้ําตาของพ่อจึงหยดบนแขนของผมได้ จนทำให้ผมรู้ว่าพ่อมาอาศาจรรยหมครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมอาธิษฐานถึงหลวงตา อีกเรื่องหนึ่งที่ผมได้เห็นความอัศจรรย์ของหลวงตาที่ผมไม่เคยพบมาก่อนผมได้มีโอกาสไปกราบท่านที่สาลากลางจังหวัดอุดรพอหลวงตาเทศเสร็จกำลังจะกลับวัดป้าป้อมจะถวายเช็คให้หลวงตาเป็นประจำและจะมาคอยหลวงตาตรงทางขึ้นรถผมจึงขอเช็คจากป้าป้อมมาถวายหลวงตาบ้างพอผมได้เช็คจากป้าป้อมแล้วยกเช็คขึ้นมาอธิษฐานให้หลวงตาช่วยพ่อนุ่นด้วยผมขอฝากพ่อไว้กับหลวงตา ผมถวายเช็คให้ท่านแล้วท่านก็เฉยผมอธิษฐานตลอดเวลาจนกระทั่งผมกลับกรุงเทพอธิษฐานตั้งหลายรอบไม่เห็นหลวงตาแสดงให้รู้เลยว่าท่านรับทราบคำอธิษฐานของผมคิดว่าทำไมแม่จึงบอกว่าหลวงตารู้ทุกเรื่องหลวงตาไม่สนใจอะไรเลยเนี่ยหรอที่แม่มาทำบุญมาโดยตลอดไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยผมเล่าให้แม่ฟังแม่ก็ตอบผมว่า อธิษฐานไปเรื่อยๆเธอและหนูจะรู้เองผมเถียงแม่อยู่ในใจว่าผมอธิษฐานเป็นร้อยๆรอบแล้วไม่เห็นท่านสนใจอะไรเลยวันหนึ่งผมมีโอกาสได้ถวายเช็คให้ท่านอีกครั้งหนึ่งจึงอธิษฐานก่อให้หลวงตาช่วยพ่อผมร้องไห้ไปอธิษฐานไปจนกระทั่งหลวงตาผ่านมาผมจึงได้ถวายเช็คให้ท่านในใจผมยิ่งเพิ่มความเร็วในการอธิษฐานขึ้นไปอีก ผมอธิษฐานว่าหลวงตาครับช่วยพ่อด้วยหลวงตาครับรุนฝากพ่อด้วยหลวงตาได้ยินผมไหมครับผมฝากพ่อผมด้วยดูแลพ่อผมด้วยหลวงตารับเช็คแล้วผมมองหน้าท่านทานองอ้อนวอนว่าหลวงตาทราบไหมครับ ล, ลุงหลวงครับหลวงตาพูดกับผมว่าเออเออเรารู้แล้วผมดีใจที่สุดที่หลวงตารับรู้ในสิ่งที่ผมขอ ผมรีบไปบอกให้แม่รู้แม่ก็ดีใจกับผมด้วยบอกว่าแม่บอกนุ้นแล้วว่าหลวงตารู้เป็นแต่ท่านได้พูดเท่านั้นเองทำไมหลวงตาเลื่อนงานใหญ่ผมยังมีอีกเรื่องหนึ่งครับคุณลุงพ่อเล่าให้ผมฟังว่า วันทําบุญประทายค้าวเปลือกที่เลื่อนขึ้นมาเร็วกว่าเดิมหนึ่งอาทิตย์นั้นหลวงตาตอบลูกศิษย์ที่ขึ้นไปถามว่าเราจะไปทําธุระพ่อบอกว่าวันที่หลวงตาจะไปทําธุระคือวันตัดสินในนรกของพ่อและลูกหลานของลูกศิษย์ของหลวงตาเพื่อให้บุญใหญ่ของงานบุญประทายค้าวเปลือกไปช่วยพ่อและดวงวิญญาณอื่นๆนั่นเองแม่เองก็เล่าให้ผมฟังว่าในวันที่พ่อจะสิ้นใจนั้นพ่อแสดงท่าทางออกอาการกลัวมาก แม่จึงได้ถามพ่อว่าพ่อกลัวอะไรในวันนั้นพ่อตอบแม่ว่าวันนั้นผมเห็นยมมทูตมาสี่คนยืนที่ปลายเตียงสองคนข้างเตียงข้างละคนผมเห็นเขาจริงๆผมกลัวมากตอนนั้นผมพูดไม่ได้แล้วยมมาทูตมีจริงๆพ่อบอกแม่เช้านั้นผมเห็นแม่พยักหน้าไม่พูดอะไรอีก หลังจากที่แม่พาผมไปงานบุญประทายข้าวเปลือกและผมทราบจากพ่อเรื่องอภินิหารของบุญในงานบุญประทายข้าวเปลือกแล้วผมไม่มีอะไรสงสัยในเรื่องผลของการทำบุญกับหลวงตาอีกผมไปทุกแห่งที่แม่อยากไปไม่ขวางแม่อีกเรียกว่าไปไหนไปกันด้วยความเต็มใจเชื่อว่าบุญที่แม่และผมทำให้พ่อพอต้องได้รับอย่างเต็มที่เพราะทำกับพระอรหันต์ผมเชื่อเช่นเดียวกับแม่แล้ว บุญของพ่อเต็มแล้วในเช้าวันหนึ่งพ่อมาหานุ่นเช่นเคยพ่อพูดกับผมว่าหลวงตาบอกพ่อว่าพ่อได้บุญเต็มแล้วหลวงตาจะไปส่งไปในพบภูมิที่ดีตัดลูกตัดเมียให้ได้อย่าให้มีห่วงกังวลจะได้ไปพบภูมิที่ดีกว่าพ่อเล่าว่าพ่อตัดแม่ได้ แต่ตัดลูกยังไม่ได้เพราะพ่อรักนุ่นมากหลวงตาบอกกับพ่อว่ามันผูกกันมานานเรียงกันเป็นขนมชั้นเลยไม่รู้ตั้งกี่พบกี่ชาติหนาแน่นมากแกะกันไม่ออกพ่อบอกผมว่าให้หยุดร้องไห้เพราะน้ำตาของผมมากมายจนเป็นทะเลกว้างใหญ่พ่อว้ผ่านไปไม่ได้เพราะเป็นน้ำตาของความโศกเศร้า พ่อขอร้องให้ผมหยุดร้องไห้คิดถึงพ่อเสียทีเพื่อให้พ่อไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่าผมกลัวว่าหากพ่อไปแล้วผมจะไม่ได้พบพ่ออีกผมไม่ให้พ่อไปผมย้ำกับพ่อว่าหากพ่อไปแล้วพ่อมาหาอีกไม่ได้ใช่ไหมพ่อบอกกับผมว่าหากพ่อไปแล้วพ่อคงมาหาหนูไม่ได้อีกด้วยความรักที่ผมมีต่อพ่อผมจึงบอกว่า ถ้าอย่างนั้นพ่อก็ไม่ต้องไปไหนอยู่กับผมนี่แหละผมจะได้มีความรู้สึกว่าผมยังมีพ่ออยู่เพราะผมอยากให้พ่อมาหาผมทุกวันอย่างเนี้ยพ่อก็บอกกับผมว่าหากพ่อไม่ได้ไปพบภูมิที่ดีกว่านี้ก็ต้องเป็นผีอยู่อย่างนี้อยากให้พ่อเป็นอย่างนี้ใช่ไหมผมตอบว่าผมไม่อยากให้พ่อจากไปอีกผมอยากมีพ่อคุยกับผมหากพ่อไม่อยู่แล้วผมจะทำยังไงพ่อบอกว่า และพ่อจะมาหาหนูเองสักวันหนึ่งจะรู้ได้เองผมไม่ยอมพยายามต่อรองกับพ่อผมมีความสุขที่ได้พูดคุยกับพ่อแม้ว่าจะต้องผ่านน่าหน่อยก็ตามผมก็ยังรู้สึกว่าผมมีพ่ออยู่แต่อยู่คนละพบคนละภูมิพ่อพยายามปลอบให้ผมเข้าใจว่าพ่อยังรักผมอยู่เสมอแต่หลวงตาต้องการพาพ่อไปพบภูมิที่ดีผมเถียงกับพ่อจนพ่อเงียบไป น้นหน่อยก็เอาตลับไม่รู้เรื่องแล้วพ่อก็หายไปผมเล่าเรื่องนี้ให้แม่และน้นหน่อยฟังรวมทั้งป้าสมอีกคนคราวเนี้ยทั้งสามคนร่วมกันยกเหตุผลมาให้ผมเข้าใจว่าหากพ่อได้ไปพบภูมิที่ดีกว่านี้ก็หมายถึงได้ไปสวรรค์หนูจะขออะไรอธิษฐานอะไรพ่อจะเสกให้ได้ปิ๊งๆเลย ผมไม่ได้เชื่อว่าพ่อจะเสกอะไรให้ผมได้อย่างนั้นหรอกแต่ด้วยความหวังว่าพ่อจะมาหาผมได้ผมจึงต้องรับปากไปว่าผมยินยอมให้พ่อไปพบภูมิที่ดีกว่าเพราะผมเคารพและเชื่อฟังหลวงตาพ่อมาเล่าให้ผมฟังในภายหลังว่าแม่กับน้ารวมทั้งป้าด้วยช่วยกันหลอกผมว่าพ่อจะเสกอะไรให้นุ่นได้พ่อสัมทับว่าผมต้องไม่ร้องไห้ยอมให้พ่อไป พ่อจะได้หมดห่วงน้ากับแม่ให้ผมไปอธิษฐานต่อหน้าพระประธานว่าจะยอมให้พ่อไปและจะไม่ร้องไห้อีกขอให้ทะเลของน้ําตาเหือดแห้งไปเพื่อให้พ่อผ่านพ้นเพื่อไปพบภูมิที่ดีกว่าได้สําเร็จอย่าให้น้ําทะเลของความโศกเศร้าเป็นสิ่งที่ขวางกั้นพ่ออีกเลยหลังจากนั้นผมไม่พบกับพ่ออีกเลยคําอธิษฐานของผมเปิดทางให้พ่อไปสู่พบภูมิที่ดีกว่าได้สําเร็จ หลังจากนั้นพ่อก็ไม่ได้มาหาอีกเลย